ตอนที่แดความอดทนสำหรับ จ, กจักรพัฒน่เทจูเกาผู้ล่วงลับที่เขาไม่เคยพบหน้ามาก่อนผู้นี้ชินเฟิงเกิดความสนใจอย่างแรงกล้าประสบการณ์เพียงไม่กี่ปีของพระองค์นั้นเหนือกว่าผู้คนส่วนใหญ่อย่างเทียบไม่ติดหรืออาจกล่าวได้ว่าหากไม่มีโชควาสนาอันยิ่งใหญ่คอยเกื้อหนุนและไม่มีจิตใจที่ทรดอดทนประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยอุปสรรค ข, ขากน้ำเช่นนี้คงทให้พระองค์สิน้นพระชนไปนานแล้ว แม่ชินเฟิงจะเคยเข้าร่วมพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษแต่ทุกครั้งเขาก็ถูกจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ไกลที่สุดเขาเคยเห็นภาพวาดของจักรพรรดิเทจูเก่าเพียงลางๆเท่านั้นส่วนรูปลักษณ์ที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรชินเฟิงเองก็ไม่ทราบแน่ชัดดังนั้นเทจูจึงเริ่มสร้างตัวจากการปรับปรามเว่ยเทียมอย่างนั้นหรือชินเฟิงรวบรวมสมาธิมองไปที่หลี่จงแล้วกล่าวว่าและเป็นพระเทจูเข้าร่วมกับกองทัพกวนซีพระองค์จึงค่อยๆสะสมรลักฐานในการชิงแผ่นดินท่ามกลางกลยุคนี้ใช่หรือไม่หามิได้พยาคะ หลี่จงสายหน้าแล้วกล่าวว่าศึกปรับเว้ยในครั้งนั้นสุดท้ายจบลงด้วยความพ่ายแพ้พ่ายแพ้อย่างนั้นหรือชินเฟิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยพยาค่ะหลี่จงพยักหน้าแม้ตระกูลต่างๆในกวนซีจะแข็งแกร่งแต่ใจคนกลับไม่เป็นหนึ่งเดียวโดวยเฉพาะ17ดตระกูลซึ่งล้วนเป็นขุนนางที่มีความดีความชอบจากราชวงศ์ก่อนและมีหลักฐานที่อย่างรากลึกต่างคนต่างก็มีแผนการของตัวเองสินะ ชินเฟิงเข้าใจในทันทีสึกปรับเวรรบกันนานถึงสองปีหลี่จงกล่าวด้วยน้ำเสียงทอดถอนใจสุดท้ายก็พ่ายแพ้แก่ราชวงศ์เทียมสึกนี้ทำให้ตระกูลต่างๆในกวนซีได้รับความเสียหายไม่น้อยจากกระพัดไทจู่เกาเองก็ทรงบาดเจ็บสาหัสจนต้องพากองกำลังหลบหนีไปยังแถบเหอตง แต่สิ่งที่น่าแปลกคือราชวงศ์เทียมที่ได้รับชัยชนะกลับไม่ได้ตามกองทัพกวนซีแต่กลับส่งกองทัพขนาดใหญ่มาล้อมปรบาบจักรพรรดิแทจูเกา ซ, ซ้ำแล้วซ้ำแล้วแม้กระทั่งในช่วงเวลานั้นคนจากลิ้วซานเหมือนยังพยายามลอบสังหารพระองค์หลายต่อหลายครั้งหรือว่าเป็นพระสมบัติวิเศษชิ้นนั้นชิ้นเฟิงจับประเด็นสําคัญได้เขาขมวดคิ้วพลางมองไปที่หลี่จงถูกต้องแล้วพยาาักค่ะหลี่จงพยักหน้ายืนยนันสมบัติวิเศษชิ้นนั้นมีความพิเศษอย่างไร ชิ้นเฟิงถามกลับยกอันดับหนึ่งในใต้าลาน้ำเสียงของหลี่จงดูตื่นเต้นขึ้นมาเล็กน้อยในตอนแรก จ, กกรจักรพัทเทจูเขาก็ทรงสงสัยเช่นกันจนกระทั่งมีแม่ทัพจากราชวงศ์ก่อนผู้หนึ่งเข้ามาสวามิภักดิ์ต่อพระองค์และอธิบายเรื่องสมบัติวิเศษชิ้นนี้ให้ฟังจึงช่วยคลายความสงสัยของพระองค์ได้ชายผู้นั้นยังกล่าวอีกว่าผู้ใดได้ยกชิ้นนี้ไปครองผู้นั้นจะได้เป็นเจ้าแผ่นดินและแม่ทัพผู้นั้นก็คือฝูกัว ก, วกงใครนะชิ้นเฟิงถาม หรือยงแม่ทัพใหญ่กองทัพเหนือคนปัจจุบันอย่างนั้นหรือหามิได้พยาค่ะหลี่จงสายหน้าคือฝูก๋วกงผู้ล่วงลับซึ่งได้รับพระราชทานยศย้อนหลังเป็นจงอี้วินหวังนามว่าหลิวเวินหลิวเวิรนชิ้นเฟิงเพิ่งนึกออกว่าผู้ที่สืบทอดตาแหน่งฝูก๋วกงในปัจจุบันคือหลิวหยงบุตรชายคนโตของหลิวเวิร์นส่วนน้องสาวร่วมบิดาของหลิวหยงต่อมาได้กลายเป็นพระสนมของจักรพรรดิเทิร์นและให้กําเนิดพระธิดาองค์โตนามว่าชูซิว่ว เหตุที่เขาทราบเรื่องเหล่านี้ก็เพราะทุกครั้งที่ไปร่วมพิธีเส้นไหวบ้บรรพบรุษบรรดาพี่ชายของเขามันจะพูดคุยเรื่องต่างๆในงานเลี้ยงหลังเสร็จสิ้นพิธีอืมล้วนแต่เป็นเรื่องที่ปฏิปต่อมาจากหลายที่การเกิดในราชวงศ์แต่ไม่ได้รับความสําคัญจากบิดามารดามีฐานะต่ําต้อยต้องย้ายออกจากวังต้าซิงตั้งแต่อายุหกขวบไปอยู่ที่จวนสิบ อ, องนิสัยที่อ่อนแอของเขานั้นลึกๆแล้วแฝงไปได้วยความรู้สึกไม่มั่นคงอย่างยิ่งหลังจากทราบเรื่องนี้แล้วไทจู่ทรงทําอย่างไร เมื่อคิดได้เช่นนี้ชินเฟิงก็ยิ่งอยากรู้เรื่องราวหลังจากนั้นมากขึ้นทรงทิ้งมันไปพยะยะค่ะหลี่จงตอบสั้นๆง่ายๆทิ้งอย่างนั้นหรือชินเฟิงอุทานด้วยความตกใจทรงทิ้งไว้บนกำแพงเมืองเหอตรงแล้วจักรพัดให่จู่เขาก็ทรงนำทัพมุ่งหน้าไปทางตะวันออกหลี่จงก้มหน้ากล่าวต่อทิ้งแต่ก่อนจะจากไปพระองค์ทรงสั่งให้วางเพลิงทําให้กองกําลังที่มาล้อมปราบต่างแย่งชิงกันบุกเข้าไปในเมือง ศึกครั้งนั้นทําให้กองกําลังที่มาล้อมปราบล้มตายเป็นจํานวนมากจนถึงขั้นเกิดการสู้รบกันเองและผู้ที่ได้ยกชิ้นนั้นไปครองในที่สุดก็ไม่ได้ส่งมันกลับไปยังเมืองหลวงจิงซือแต่กลับสถาปนาตนเองเป็นฮ่องเต้ น, นั่นก็คือจิ้นเทียมบ้าเอย๋ยแม่ชินเฟิงจะมีวุฒิภาวะที่มั่นคงแต่เมื่อได้ยินถึงตรงนี้เขาก็แทบจะเก็บอาการไว้ไม่อยู่หากเขาจะไม่ผิดตรายยกสึกทอดแผ่นดินของราชวงศ์อวีก็ถูกแกะสลักมาจากยกชิ้นนี้นี่เอง ในหลายปีต่อมาจิ้นเทียมและเว่ยเทียมทําสงครามกันหลายครั้งหลี่จงนิ่งคิดครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวต่อและเพราะเหตุนี้ใต้ล่าจึงยิ่งวุ่นวายมีผู้ตั้งตนเป็นใหญ่ในหลายพื้นที่ส่วนจักรพรรดิเทจูเกาก็ทรงสามารถสร้างหลักฐานที่มั่นคงในเหอซีได้ในช่วงเวลาหลายปีนี้เองจักรพรรดิเทจูเกาทรงรวบรวมผู้อพยพปราบปรามโจรผู้ร้ายส่งเสริมการทํานาขยายพื้นที่พอบลูพัฒนาการชลประทานและขยายตัวเมืองทําให้หลักฐานภายใต้การปกครองแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีใครมาลุกราเลยหรือชินเฟิงถามกลับมีพยาค่ะหลีจงกล่าวอย่างสงบแต่ไม่มีข้อยกเว้นทุกรายล้วนพ่ายแพ้แก่จักรพรรดิเทจูเกา่าและเมื่อเกิดสึกใหญ่ครั้งที่สาระหว่างจิ้นและเวย่ยในปีนั้นจักรพรรดิเทจูเกามีพระชนมายุ 30, สามสิบพรรษาทรงนำทัพใหญ่ไปทางตะวันตกเพื่อช่วยเหลือเมืองเหลียงทรงเอาชนะตะกูลหลีแห่งกวนซีได้อย่างราบคาบและทรงรับน้องสาวบุญธรรมมาเป็นพระชายาเอกฉือเสิ่งขังโซ่เทห่วงเทโฮ ดวงตาของชินเฟิงเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างดูเหมือนหลีจงกําลังส่งข้อมูลบางอย่างให้เขาอย่างมีนัยสำคัญและข้อมูลเหล่านี้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลส่วนใหญ่นั้นล้วนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความลับในราชสํานักฝ่ายในถึงแม้จะไม่มีความเกี่ยวพันดโดยตรงแต่ก็มีความเกี่ยวข้องกับเชื้อพระวง์อย่างหลีกเลี่ยนไม่ได้แล้วตกลงหลี่จงทําไปเพื่ออะไรกันแน่ชินเฟิงเริ่มครุ่นคิดอยู่ในใจ ฝาบาทบ่าวต้องไปรายงานที่สามตำหนักเพื่อคืนคำสั่งขอฝาบาทโปรดประธานอภัยที่บ่าวเสียมารยาท้วยพยคะในขณะที่ชินเฟิงกำลังใช้ความคิดหลี่จงก็เหลือบมองออกไปนอกหน้าต่างก่อนจะประสานมือคำนับชินเฟิงไปเถอะชินเฟิงมองหลี่จงแวบหนึ่งแล้วโบกมือบ่าวทูลลาพยาคะหลี่จงประสานมือคำนับจากนั้นก็ก้มหน้าถอยหลังออกไปประตูตำหนักค่อยๆเปิดออกลมหนาวพัดผ่านช่องประตูเข้ามาประท้าร่างของหลี่จงจนเขาอดไม่ได้ที่จะสั่นสถาน ในยามนี้เสื้อผ้าของเขาเปียกโชกไปด้วยเหงื่อตั้งนานแล้วทันทีที่เขาถอยออกมาจากตำหนักน้ำเสียงเงย็นเยียบสายหนึ่งก็ดังขึ้นหลีเ่เซาเจียนเจ้าพูดมากเกินไปแล้วหัวใจของหลี่จงกระตุกกู่แต่เขาก็กลับมาเป็นปกติได้อย่างรวดเร็วแม่ทับสวีข้าเองก็รู้ตัวว่าพูดมากไปหลี่จงเผชิญหน้ากับสายตาของอีกฝ่ายอย่างสงบนิ่งแต่จักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์ทรงอยากทราบเรื่องราวของจักรพรรดิเทจู่เก่า ข้าในฐานะข้ารับใช้ของราชวงศ์มิกล้าขัดคําสั่งสวีฮุยจ้องมองหลี่จงด้วยสายตายเย็นชามือบีบด้ามดับแน่นในช่วพริบตา น, นั้นจิตสังหารก็ผุดขึ้นในใจของเขาในฐานะหนึ่งในแม่ทัพจิ้นจวินเขาได้รับคําสั่งจากเซิ่งเลี่ยฉือโซ่หวงไทยโฮให้เฝ้าอยู่ที่ตำแหน่งต้าซิงตลอดเวลาเพื่อรับผิดชอบความปลอดภัยของจักรพรรดิผู้สื่อราชสันติวงศ์แน่นอนว่าคนที่อยู่ในตำแหนักต้าซิงไม่ได้มีเพียงเขาคนเดียว นับตั้งแต่จักรพรรดิองค์ก่อนเสด็จสวรรคตรอย่างกระทันหันไม่ว่าจะเป็นราชสำนักฝ่ายในหรือฝ่ายนอกต่างก็เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่มีใครคาดคิดว่าจักรพรรดิองค์ก่อนจะสวรรคตรสิ่งนี้ทําลายโครงสร้างอํานาจที่วางไว้จนหมดสิ้นในช่วงเวลานี้การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็อาจนําไปสู่ความวุ่นวายครั้งใหญ่ได้แม่ทัพสวีหากไม่มีเรื่องอื่นแล้วข้าขอตัวก่อนเมื่อเห็นสวีหุย้ยเงียบไปนาลีจงจึงกล่าวขึ้นอย่างสงบสวีหุยยังคงไม่พูดอะไร หลี่จงไม่ได้คิดอะไรมากและเดินจากไปแต่ในใจของเขากลับไม่สงบเลยชายที่อยู่ตรงหน้าผู้นี้คือน้องชายของเซิงเลี่ยชื่อเส้าหงไทโฮบีดาของเขาเป็นขุนนางฝ่ายพลเรือนเพียงคนเดียวที่ได้รับพระราชทานยศกัวกงปัจจุบันดํารงตําแหน่งอัคารเสรนาบดีซ้ายแห่งกรมมหาเสนาบดีนามว่าชิงกัวกงสวีชูชิ้นเฟิงคาดเดาไม่ผิดอย่างหนึ่งนั่นคือราชวงศ์อวีมีความลับมากมายและผู้ที่สร้างความลับเหล่านี้ขึ้นมาก็คือกลุ่มผู้ถือครองอํานาจในราชวงศ์อวีเหล่านี้นี่เอง ในยามนี้ชินเฟิงที่อยู่ในตำแหนักตา้าซิงถูกจับตามองด้วยดวงตาหลายคู่การที่เขาสามารถขึ้นเป็นจักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์ของราชวงศ์อวี๋ได้นั้นเป็นเพียงเพราะในสถานการณ์ที่เร่งรีบมีหลายสิ่งที่ต้องทวงดุลอำนาจกันมากเกินไปเพื่อไม่ให้เสียสมดุลสุดท้ายเขาจึงถูกเลือกขึ้นมาโดยกลุ่มอำนาจต่างๆส่วนในบรรดาคนเหล่านั้นจะมีกี่คนที่ซ่อนเจตนาแอบแฝงเอาไว้ใจคนยากแท้อย่างถึงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดเดาได้